ให้หับนั่งขัดสมาธิให้เป็นให้ได้ทุกทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่สมัยประกุตธธเจ้ยาวของเราที่ท่านได้ตรัสสรู้ใต้ล้มไมโขวันเดือนหกเ็นที่เรา พากันจำการทมพิธีมาเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเป็นชื่อของเดือนวันนั้นเป็นวันประสูติวันตัดสุวันพระพุทธเจา้านิพพานสามการไปรวมอยู่ในเดือนหกเพนวันนั้นพระพุทธเจ้ามาถึงลอมไม้โพ นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาพิสให้ทุกทุกคนนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนอนั่งให้เป็นให้ทุกคนเดี๋ยวไปตีว่ามันเจ็บมันคัดเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน เอามือจับขึ้นมาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนตามนั่งทุกคนนั่งทั้งหญิงทั้งชายหาดนั่งให้ได้ให้เป็นมันไม่ตายหรอกมันตายไม่ในด่ไในมีเผาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เมื่อเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายแล้วก็เป็นอันว่านั่งขับสมาธิแต่มันเป็นพิธีหนึ่งทางร่างกายแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงและก็หลับตาไป เมื่อหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลึกถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าคําว่าพุโท โ, โธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นหลักของประพุทธศาสนามีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็ น, นประธานประธานคือพระพุท ธ, ธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าท่าน มาตัดสู้เอาในมมาร่มไม่พออย่างเดียวท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่ปาถนาเป็นพระโคที่ศัตว์เป็นพระพุทธเจา้าคือต้องการจะให้เดชตักเป็นพระพุทธเจา้าแต่ท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาทําทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเวลายาวนานสี่อสงไขยแสนมหากระ บ, บนบาลเมีนั้นจึงเต็มเปลี่ยนขึ้นมาได้มาตรัดสูลในล่มไมโพนั้นประเทศอินเดียนั่นและกว่าจะตัดสูลได้แน่ว่าเป็นอสงไขยอสงไขย เรื่องภาษานี้คําว่าอาสงไข่สีอสงไข่แสนมหากัรเฉพาะพระพุทธเจ้าโคดมของเราเรียกเป็นอย่างต่ำถ้าพูดอย่างหนึ่งเร็ว่าเป็นอย่างตรีโทเอกเป็นอย่างต่ำอย่างที่สองบัมเพนนานแปดอสงไข่แสนมหากัรอย่างสูงสดก็เร็วอะสิบหกอสงไข่แสนมหากร จึงจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทางไปสู่นิพพานหรือว่าที่จะเอามนุษย์และเทวดาอินพรหมสั่งสอนไปสู่นิพพานได้นั่นมีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาตรัสโลนโลกเท่านั้นจะสั่งสอนลอบข้อเอาไปได้ เมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิตาคาอนาคาอารานตาก็สั่งสอนอบรมกันมาโดยลำดับตายแล้วก็แล้วไปไปสู่นิพพานยังไม่ตายก็สั่งสอนกันมา จนมาถึงวันนี้เวลานี้ที่เราท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิภาวนาในวัดธร้มผาหลอกเป็นเวลายาวนานสอง9ันห้าร้อยยี่สิบเก้าปีนี้แล้วเราท่านทั้งหลายจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคนประพพระธรรมประสงค์ท่านจึงวางเป็นระเบียบว่าต้องภาวนาพุทธโธให้ได้ทุกลมหายใจเขา้าออกเมื่อนึกถึงประพพระธรรมประสงค์ทั้งสามแล้วก็เอาพุทธโธคาเดียวพุทธโธคาเดียวก็พระพุติเจ้าก็ประธรรมประสงค์ก็อยู่ในที่นั้น เธอเป็นวิธีการมัดจิตใจหรือวรวมจิตใจท่านให้ชื่อว่าสมถะกรรมฐานมีอบายที่จะต้องเจริญนึกอยู่อย่างย่ออย่างน้อยก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานสี่สิบมีพุทโธธรรมโมสังโคเป็นต้น เพื่อว่าอุบายใดข้อใดทำใดก็ตามเอามานึกมาเจริญมัดจิตใจของเราให้สงบระงับไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นเสียก่อนอื่นใดทั้งหมดจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนา้าใจของผู้ปฏิบัติภาวนาอย่างตั้งมัน่นรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้ ยังไม่เข้าถึงสรานะคือประพุทธระธรรมประสงค์เวลานี้การนั่งสมาธินี้ให้เชื่อนั่งขัดสมาธิคือว่าเป็นจิตใจเราจะได้เข้มแข็งเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายคําว่าเข้มแข็งก็แปลว่าไม่หลงไปตามกิเลสราคะตัณหาไม่หลงไปตามกิเลสโทสะ ไม่หลงไปตามกิเลสโมหะนั่นเป็นผลที่สุดจะต้องไปจุดนี้แต่ว่าต้องฝ่าธรรมต้องฝึกหัดโดยเฉพาะที่เรานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนนั่งไม่ให้คิดใจเหงานอนนั่งตั้งใจบริกรรมธรรมใจของตนให้แน่วเป็นดวงเดียวเทวาให้นึกพุทโธเป็นบริกรรม เราจะเนึกอะไรอะไรได้ทางนั้นนต่ว่าเอามาสอนใจมัดใจของเราให้อยู่เชียกัน้ารวมจิตใจยังไม่สงบเมื่อใดแล้วไม่มีทางกิเลสลาคกกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันดึงลากไปอยู่ในวัตตะสงสารไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึง ล้มไม่พอประเทศอินเดียนั่นแล้วพระองค์ปนั่งขัดสมาพิสต์นั่งขัดสมาพิสต์ของพระพุทธเจ้านั้นทำจะนั่งตายนะไม่ใช่นั่งเป็นถ้าหากว่าต ร, ารัสโลเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์จะไม่ลกจากที่นั้นเป็นอันขาดไม่ต้องไปห่วงกินห่วงนอนเหมือนแต่ก่อนพรองตัดสินใจลงไป เพื่อสู้กับจิเลตมานสังขารมานในจิตใจของพระองค์นั่นเองที่ตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าสู้กับมารพยามานเสนามารเดียวว่าอารมณ์ของโลกล่มมาใส่พระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้ารับไม่ไหวแล้วแต่พระองค์ได้ตั้งสัตยาทิฐานลงไปว่า ถ้าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันคาถ้าสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่ได้เหมือนตั้งแต่บวชมาตั้งหกปีหกพรรานั้นเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอ น, นคาตายเอาตายสู้แม้เราทุกคนก็เหมือนกัน เมื่อเรานั่งสมาธิภาวานาตั้งใจมั่นลงไปสละตายลงไปอย่าไปกลัวมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างใดไม่เกี่ยวพุโทโธพุทธพุทธะนันเป็นคุณประพุท ธ, ธิจาความจริงก็คือว่าตัวพุทธะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ ใจิตใจคนเรานี่แหละมีอยู่คนละดวงละดวงไม่มีหลายดวงหลายจิตหลายใ จ, ยใจแต่ว่ากิเลสตัณหามานะทิฐิอมันมีอยู่ในใจิตในใจมากมายมันโผกมัดลัดเลงแต่ละบุคคลให้มาเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์สโลกเทวโลกภ ม, มาโล เปตาโลกย ม, มโลกมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์สัตบุตรสัตว์น้ําอะไรต่อมิอะไ ร, นนะไรจนถึงขั้นตกอันรกอเวเจทุกอย่างนั่นแหละเรียกว่าคนเจ็ดดวงนี้แหละดวงที่รู้ที่ฟังดวงที่เราเนื้อกุทโธเดี๋ยวนี้แหละรวมเอาเจตใจดวงนี้ให้ได้ก่อนอื่นใดถ้าหยด จิตดวงนี้ไม่ได้มันปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปแล้ะไม่รู้ห ล, ลงไปหมดเขาว่าอย่างใดมาได้ยินอะไรก็เป็นคนหูเบาคนหูเบาก็คือคนใจเบาทาสมาธิภาวนาในใจของตนไม่ได้เบาไปหมด ใครมาสรรเสริญเยิอนยอขึ้นมาดีอกดีใจเข้าใจว่ามันดีตามเขาสรรเสริญเยิอนยอ่อยกย่องให้ไปดียางไงถ้าเราไม่ทำดีเราไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ละกิเลสราค ะ, ะโทสะโมหะในหัวใจของเรามันเอาดีไม่ได้ ทาชั่วมันคิดเอาได้แต่ว่าทําดีนี่ต้องฟังคำคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าไม่ใช่คำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าไม่มีทางที่จะจะดึงให้ไปหลงทางนั้นคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้านั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนง่ายๆก็คือว่าพระพุท ธ, ธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทาั้งหลายนั้น ท่านสอนให้คนเราละบาปที่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วอันใดที่เป็นบาปให้ละคือว่าอย่าทาอย่าพูดอย่าคิดต่อไปอย่างเวลาเราภาวนาพุโทโธอันเดียวหรือนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ไม่ให้จิตใจมันเลาะและวันไหว กลัวตายอยู่มันทำอะไรได้ที่ไหนนั่งภาวนาก็กลัวตายมันหนีไปไหนไม่ตายเกิดมามันต้องตายวันยังค่ำแต่มันยังไม่ถึงเวลาท่านบุญมันยังรักษาพวกเราทั้งหลายไว้บุญได้แก่เราละบาปบาเพ็ญบุญทำดีด้วยกาย พูดดีด้วยวาจาคิดดีในทางจิตที่เราภาวนาพุโทโธพุโทโธก็เรลยว่าเอาจิตดวงที่โลอยู่ในตัวนี้แหละมาคิดดีมาเจริญดีท่านก็ให้เชื่อว่าสติให้มีสติความละลึกได้สติปัฏฐานสี่ก็เรียกว่าให้ละลึกอยู่ในกายนี้กายนี้เกิดมาจากท่องแม่ เติบมาแล้วก็มาจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเพราะมีพิดามาดาผู้บังเกิดเก้าช่วยดูแลให้ตัวเราจึงไม่ตายแต่เล็กแต่น้อยมนุษย์นี้ไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดียวแลาวถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลให้ตายทุกหลาไม่ได้มานั่งภาวานารมผากองรัก อาศัยผู้อื่นเป็นโยเราจึงได้เจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงบัดนี้ต้องนึกถึงคุณบิดามารดาผู้บังเกิดก่าผู้ธนุนดำลงบำลงให้ทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งตัวเราทั้งกายทั้งจิตเจริญวัยใหญ่โตมาจนเลี้ยงดูรักษาตัวเองได้นี่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อมาถึงเวลานั่งภาวานาก็ให้ตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งหมดทั้งตัวมนะันจึงเรียวกว่าตั้งใจใจจะตั้งได้กายก็ต้องตั้งฉะนั้นเพลินจึงมีวิธีการนั่งภาวานาแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไป จดสำคัญก็ให้เอาจิตเอาใจของตนให้อยู่มั่นคงในถิ่นในธรรมในคำสั่งสอนให้ได้อย่าเป็นคนใจเบาหูเบาโทกตีเตียนนินทาของโลกเลิกล้มความดีงามเคยทำบุญทำทานก็ทำไม่ได้เคยรักษาชิ้นห้าชิ้นแปก็รักษาไม่ได้พะโทกเพื่อนมนุษย ตีเตียนนินทาว่าไลา่ให้หลงไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ใครจะติเตียนนินทาเป็นเรื่องของคนผู้ติเตียนนินทาคนไม่โธกนินทาไม่มีในโลกคนเกิดมาแล้วหูก็จะต้องได้ยินเสียงเสียงดีเสียงชั่วก็ต้องมีเข้ามาในหูไปห้ามมาให้ผู้เอื่นว่าบ็าได้ ห้ามใจของเราภาวนาพุทธโธตั้งใจลงไปให้มั่นคงให้มั่นคงขนาดไหนพระพุทธเจ้าทัานว่าให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินที่เรานั่งนอนยืนเดินไปมาแผ่นดินเขาไม่วันไหวฉันใดใจของเราผู้ภาวนาพุทธโธก็ย่าได้วันไหว ทำใจของตัวเองให้องค์อาจกล้าหาญโดพระพุทธลกูกทํานนั่งภาวานาเร็วจะนั่งแบบไหนพระพุทธลลกเร็วเป็นตัวอย่างสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้จักนั่งภาวานาไม่ให้ใจขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญตอดเหงาเหงาเหมือนกับปอมกา่าไม่ได้ ตั้งใจขึ้นมายกใจิตใจของตัวเองขึ้นมาไม่ให้ใจมันง่วงเหงาเหา้์นอนฟุ้งซ่านลำคาญห่วงนั้นห่วงนี้วิตกวิจารณ์ไปไม่เอาเลิกละทิ้งหวพุทธโอพุทธะจิตผู้รู้อยู่ในกายในจิตนี้นั่งก็ภาวนาอยู่ในใจเดินก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจ ภาวนาอะไรที่จะทำใจให้สงบระงับก็ภาวนาได้นึกได้แล้ว เ, เกิดมาต้องตายนะ่ก็เอาตายมาสอนใจมาให้จิตใจมันเลาะและวันไหวสั่นสะเทือนเอาตั้งมั่นลงไปให้ได้ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินดูผืนแผ่นดินที่เราตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เขาไม่วันไหวใครจะทายอุจจาระปัดสาวะให้แผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรใครจะขุดจะกลนจะทำยังใดแผ่นดินก็เฉยนารจิตใจผู้ภาวานานั้นถ้าทำได้เหมือนแผ่นดินจึงจะละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภความหลงได้ถ้าใจมันไม่นักแน่นละไม่ได้ ใจไม่มั่นคงเี่ยว่าใจไม่สงบในโลกมีตาก็ต้องเห็นรูกโลกที่เห็นทางตาจิตกิเลสมันก็จะ ด, ดูแต่โลกที่สวยที่งามโลกที่ลายที่แลรูปสกรปรกสห ม, มมันก็มีอย่เต็มโลกมันต้องเห็น โูกคนเกิดโูกคนแก่โูกคนเจ็บไข้ได้ป่วยโูกคนตายโรคคนเผาผีจีกระดูกมันมีหมดเลยเสียงเข้าทางหูตาหูจะโมกเรียนการใจโรคเข้าทางตามันเข้าออกธรรมดาแต่ว่าจิตภายในไม่ภาวนาละกิเลสโูคดีก็ดีใจลูกไม่ดีก็เสียอกเสียใจ น่ารักขึใ้ใจมันลหลงไม่ใจมันหลงไหลไปที่อื่นใจภาวนาใจใสเหมือนดวงแก้วมันนีใจใสสอาไม่กรดให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่หลงไปตามอารมณ์กิเลสภาวนาตั้งใจนั้นเอาพุทโให้อยู่ในตัวในใจของตนได้ สอนตัวเองให้ได้เมื่อใดอยังสอนใจตัวเองไม่ได้อย่าไปคิดจะไปสอนคนอื่นสอนไม่ได้เขาไม่ฟังโดพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบวชได้หกปีล่วงแล้วพระองค์ยังไม่ได้สอนใครเลยภาวนาลูกเดียวจนมาตัดสโลน่นั่งขัดสมาธิใต้ลมไม่โพร ตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะโมหะละกิเลสร้อมทังวาสนาได้แล้วรับรองใจพระองค์ได้แล้วจึงสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์เราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนารวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้มันเป็นหลายดวงหลายจิต พุทโธอันเดียวพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้อย่าไปหลงอันหลงนั้นมันมีมาแล้วตั้งแต่อนเนกชาตจิตนั้นมันเกิดมาจนนับไม่ท้วนแต่จิตนี้มันโง่เขาเบาปัญญาภาวนาขี้เกียจขี้ค้ามันไม่มีปัญญามันก็เลยโงง โง่เขาก็ว่าง่ายเงาเขาก็ว่ามันอยู่กับจิตนั่นแหละเจตขี้เกียจชี้ข้านภาวนาโง่เงาโง่เงาเต่าตุนเขาก็ว่ามันโง่มาอย่างนี้นับพบนับพาดไปทั่วแล้วเรายังจะไปเชื่อไปหลงกิเลสอยู่ไม่ได้ต้องลบขึ้นตื่นขึ้นเ๋ยยืนขึ้นลบขึ้นต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้กิเลส ในหัวใจของตนนั่นแหละไม่ต้องไปต่อสู้คนสัตว์ประหัประหารกันสู้กับกิเลสความโกรธในใจมันได้ชัยชนะเขาด่ามาก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องว่าเขาด่าลราเขาด่าเรา่มาเกิดมาตายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสเขาสอนนั่นเองโลกเขาสอนธรรมชาติเขาสอนร้อนหนาว ดินฟ้าอากาศเขาสอนให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมา้มันเฉลียวฉลาดสามารถอาจห า, จาจสู้กับกิเลสมานสังขารมานในใจของตัวเองให้มันได้ชัยชนะไม่ได้ชัยชนะไม่ลบจากที่นี้เป็นอันขาดเน่ยดูที่พระพุทธเจ้าท่านเอาแล้วว่าท่านวางมาสใหม่ มากใหม่แล้วว่าวันพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลูกขมูลล้มไม้พระองค์วางแบบใหม่แต่ว่าพระองค์ไม่ใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธเวลานั้นยังไม่เกิดมีโยแต่ยังไม่เด็ตดตะจะตัเคืนนั่นถึงไม่มีใครสอนก็เป็นธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสอนเองท่านรวบรวมเข้ามาว่าจะเอาอะไรภาวนาพอ เ, เอาภาวนาลมหายใจเลยภาวนาท่านกําหนดลมลนั้นสาวกภายหลังเป็นก็เอาพุทธโธบ้างเอาลมหายใจเอามาลณะนะกรรมาฐานอะไรก็ได้ตั้งให้ได้มัดใจให้อยู่พระพุทธเจ้าเอาลมหายใจ ลมหายใจเข้าไปท่านกับสอนใจของท่านนี่ลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายนะแกจะตายอยู่นะตัดสโลไม่ได้ตัดสโลผลที่สุดก็ตายเหมือนกันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุ ธ, ธาตุทั้งหลามันเกิดแล้วต้องตายเนี่ยแน่ไม่มีใครจะไม่ตาย โดเตที่เรามันนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายก็เป็นคนนั่นคนนี้ น, นู่นนั่นแบบนี้ไปตามเรื่องแต่ว่าอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีไปข้างหน้าพวกเราที่มานั่งเดียกันจะตายไปทีละคนสองคนผลที่สุดไปพบหน้าฆ่าตากันใหม่คนนั้นไปไหนตายไปแล้วจะดูกเอาไปทิ้งที่ไหนโน้น เมืองพัทยาทิ้งลงทะเลมันจะได้เย็นหรมันจะไปเย็นตายซากมันตายแล้วเย็นก็ภาวนาพุทโธเดี๋ยวนี่สิละกิเลสความโกรธเดี๋ยวนี่ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจเดี๋ยวนี่ให้ได้ละกิเลสความหลงหลงกายหลงจิตหลงโูกเสียงกินรสโสดทะพระธรรมอารม กิลที่จิตใจคนเราทุกคนหลงมันไม่ใช่ว่าของใหม่อันเก่านั่นแหละมันมาหลอกลวงตาให้หลงในรูปหลอกลวงหูให้หลงในเสียงหลอกลวงจมูกให้หลงในกลิ่นหลอกลวงยินให้หลงในรสอาหารหลงไหลในรสอาหารในการกินยิน เลียนไม่มีกระดูกไปเชื่อมันไม่ได้มันลอกให้เราหลงจะลิ้มรสจะกินแต่อาเล็ดอร่อยมันกินไปได้สักกี่ปีพระพุทธเจ้าแท้ๆก็แปดสิบปีก็เลี้ยลิ้นไหวได้คนเราสมัยนี้จะกินไปถึงไหนร้อยปีกันก็ค่อยถึง มันหลงลุ่มหลงไปถึงไหนภาวนาพุทธโธเอาจิตใจตั้งมัน่นลงไปในใจให้ไดยมันเนึอกอะไรไม่ได้กับพุทธโธพุทธโธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คนคนหนึ่งเหมือนคนเรานี่เองแต่พระพุทธเจ้ามีความอดความทนมีเิตใจอันสูงส่งกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร ไม่มีใครสูงสงทำบุญทำทานเก่งกว่าใครหมดรักษาศีลได้หมดภาวนาได้หมดทุกอย่างเรียกว่าแจ้งโลกไม่หลงไหลอย่างคนเรา <c oughs> คนเรานั่นกิเลสพากินกิเลสพานอนกิเลสพาพูดกิเลสพาคิดกิเลสพ า, พ า, พาทำไม่จบไม่สิ้นต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่น เอาจิตใจดวงเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่งกอไม่มีอะไรกับพุโทโธอยู่ในใจพุโทโธก็อย่าไปหลงธ ร, รมโมสังโฆก็อย่าไปหลงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่นย่อมาในจิตใจของตัวเองนั่นแหละหละบาปบำเพ็ญบุญจเจริญสมาธิภาวนารำใจให้ผองใสสะอาด ให้เข้ามาที่นี้ไม่ให้หลงนอกกายออกไปเขาจะสมมติว่ายัางไรอย่าไปหลงรวมกำลังเข้ามาตั้งใจลงไปห้มันมั่นคงลงไปในจิตในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปมัวโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านลาคาญไม่จบไม่สิ้นไปที พระพุทธเจา้าพระอริยเจ้าทั้งหลายกิเลสโลเลทันละได้ทานตัดได้ขาดแล้วยังเหลือแต่เรามายึดตัวเราของเราตัวโกของโกตัวข้าของ ข, ข้าข้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ไปถึงเป็นตายตายเมื่อใดก็ฝังดินไม่เห็นเลยเผาไฟเท่งมันเหม็นสาบเขาไม่เก็บไว เรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนมัวขี้เกียจขี้ข้านภาวานาอยู่ได้หรือเกิดมาได้อะไรติดตัวมาได้นังหุ่มกระดูกก้อนอันเดียวนี่มาใหญ่ยายมาแล้วโลกสมมุติเขาว่าอย่างไรเจตนี่ก็หลงไปตามเขาไม่ภาวานาละอีเลยก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อน ลาคจีนาไฟคือลาคะเลิกละไม่ได้โทสกีนาไฟคือโทสโมอกีนาไฟคือโมฮะเลิกละไม่ได้เป็นนักบวชภาวนาตักกิเลสละกิเลสเหมือนรพระพุทธเจ้าไม่ได้ ม, มากกว่าลมหลงงัวเมาตัวโกของโกตัวข่าของข่ า, ขาอยู่ไม่จบไม่สิ้นเอาให้มันจริงลงไป ว่าพุทโธอันเดีย ว, วส ง, งบได้มันก็ใช่ไต่ส ง, งบไปได้ก็เป็นผีเผดเฝ้าโลกอยู่นี่แลพระพุทธเจ้าคนไปนิพพานเราก็คานขี้ค้องอยู่ในโลกนี่แหละไปม่ถึงไหนเกิดตายเกิดตายตายเกิดขึ้นมาเมื่อใดก็หลงนี่ว่าหลงหลงขี้ก้อนเก่าเล่าเวียนข่ำ วันคิดจันคารพุทธประหัสสุขเท้าเดือนหนึ่งจนเดือนสิบสองปีหนึ่งจนถึงสิบสองปีวนเวียนอยู่อย่างนี้มันจะไปจบที่ไหนพุทโธในใจเอาใจให้ได้เอาใจไม่ได้มันตายเสียดีกว่ากินข้าวเปลืองข้าสุขภาวนาล กิเลสความโลภมันได้เอาให้มันตายไปแล้วละกิเลสความหลงไม่หมดมันตายมันแล้วไปดะงนั้นต้องตั้งใจทุกคนภาวนาเอาให้มันถึงศีลถึงธรรมถึงคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าทําอะไรได้แต่เปื้อนๆ เ, เล่นๆไปอย่างนั้นดังนั้นตั้งใจลงไป จนกระทั่งนั่งก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้ตาดูหูฟังอะไรทุกอย่างเป็นภาวนาเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกทําไมจิตนี้จึงมาลุ่มหลงมัวหมองเพราะจิตไม่รู้ไม่เข้าใจจิตมันหลงสมมุติมนุษย์สมมติอย่างใดเกิดมามันก็หลงสมมติ จิตวิมุตต์ลดพ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็หลงเมาเด็ดโย่ข้องอยู่ลูกของกูหลานของกูบอกได้ว่าฟังหรือลูกของเราสามีภรรยาของเราพ่อแม่ของเราบอกไม่ให้มันตายได้เลยไม่มีใครบอกได้ทาไมมันตายก็เพราะมันบอกไม่ได้ บอกไปได้จิตนี่จะไปยึดไปถือทําไมวางเฉย อ, อยู่เหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินเขาวางเฉยได้จิตใจของผู้ปฏิบัติใครจะเกิดใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะไข้ใครจะตายช่างเป็นธรรมดาจิสไม่ลุ่มหลงมัวเมาตัวเองไม่ลุ่มหลงมัวเมาคนอื่นผู้อื่นจะไปแก้ไขมันได้หรือ แก้จิตใจของตัวเองให้ได้นั่งภาวนามันเจ็บแข้งเจ็บขามึนซาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเกี่ยววางเฉยเขาว่าเขาเจ็บไหมแข้งขาหน้าตาชื่อเสียงตาหูเขาว่าอย่างไรเขาไม่ว่าเขาเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอย่างนั้นเองเจ็บ ใจดวงพ่โลมันไม่โลมันหลงมันหลงก็เป็นทุกข์อย่างนี้ะร้อนมากติว่าร้อนไม่ดีหนาวมากติว่าหนาวไม่ดีแล้วใครไม่ดีกันแน่นก็จิตงง้าวยิตโง่ไม่ดีต้องภาวนา เหตุนั้นการปฏิบัติภาวนานั้นท่านว่าไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กเป็นนุมเป็นแก่เป็นชลาเป็นหญิงเป็นชายไม่เลือกครั้งสมัยพุทธกาลแก่ๆทันกภาวนาได้สําเร็จมากคน เด็กเด็กอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาภิคจตคาอนาคาอารหันตาทัางคริหัดบรรพชิตนักบวชไม่มีใครทำรั่วทำกำแพงกันหละผู้ใดภาวนาผู้ใดปฏิบัติเอาจริงเอาจังกดู้ได้ในใจของตัวเองผู้เอืญนจะไปรู้ให้ทำให้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงตรัส ว, ว่าเราตถาคตมาใจไปละกิเลสราคะโทสะโมหะให้ญาติโยมให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมเข้าใจเอาไปละทำกิเลสในใจของตนให้หมดสิน้นไปก็โล้ได้เข้าใจทั้งนั้น ถ้าไม่ทำไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโลภความโกรธความหลงเราก็อ้าวไปทางไหนแบบทักสีขันทางห้าหน้าตาตัวตนหนักเหมือนแบบแผ่นดินหลอความยึดตัวยึดตน ย, ยึดเรายึดของของเรายึดเราถือเราไว้ใจมันจะไปอยู่ตามใจของมนุษย์มันก็เกิดแกเจ็บตายไปตามหน้าที่ ตัวเองก็มานั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกก็มาหลงลักหลงฉังมันอยู่ไม่จบไม่สิ้นเลิกไวเลิ ก, ลกทิ้งหมดพุทโธอยู่ที่นี่ทมโมสังโฆอยู่ที่นี่อยู่ในใจสงบอยู่ในใจละกิเลสในใจมันหมดสิ้นไปก็อยู่ในตัวในใจอันก็ต้องไปถามหาสวรรค์ น, นิพพานที่อื่นตัวหลงมันบูรูต่างหาก แพระนั้นในาการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปท่อถอยชีวิตยังมีอยู่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติทำกรรมฐานทำจิตใจของเราให้สามารถอาฐานไม่ท่อแท้อ่อนแอในหัวใจนั่งก็ให้ภาวนาเลิกในความดีท่าในให้ชื่อว่าภาวนามันไม่ใช่เฉพาะพุโทโธอันเดียว อันใดมันเป็นบทธรรมเป็นข้อธรรมจะเป็นภาษาไทยภาษาอะไรก็ตามบาลีบาลเอมันไม่ใช่สำคัญสำคัญที่เราเอามาสั่งสอนตัวเองให้ได้ไม่ให้มันทำชั่วด้วยกายไม่ให้มันพูดชั่วด้วยวาจาไม่ให้มันคิดชั่วด้วยดวงใจ โอบายใดทำมิกะอุบายใดมาสอนจิตอันนี้ได้เอาจนชนะมันได้นั่นแหละถ้าทำคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้ามันมีอยู่เต็มโลกโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลผ่าทำคำสอนพระพุทธเจ้ามันเต็มเลยแหละแต่เราไม่รู้จักเอามาสอนตัวเองมีแต่เอามาเสริมสร้างกิเลสราคะโทสะโมหะ ไม่จบไม่สิ้นมันทุกข์อยู่ไห่ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ไปทุกข์อยู่เอาเวจีมาหานรกตกนรกเป็นเตตอสุ์รกายมาเกิดเป็นสัตจฉิเดลสารให้มนุษย์เอามากินเป็นอาหารตามเรื่องไปความรู้ขะนนั้นต่อไปให้เรารู้จักเข้าใจการตั้งใจให้มั่นคง ส ง, งบจิตใจของตัวเองได้อยู่ที่นั้นละทานอยู่ที่นี้ศีลอยู่ที่นี่สมาธิภาวนาอยู่ที่จิตที่ใจอยู่ที่กายวาจาจิตของแต่และบุคคลพระพุทธเจ้าท่านโอปนจิโกท่านให้นอบเข้ามารวมเข้ามาสอนเข้ามาทําใจของตนให้ส ง, งบระงับให้จงได้ นม่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการาชี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพะโลโควินัส ต, ตุมาติปวัตวตวันตรายโยจุขิทีคาโยโกภวะอาภิวาธนาสีวิสเิจังบุตธาปัจจายิโนจตารโธรรมาวทันติอายุวนโอสุขังภาลัง